นอกจากมีสัจจะแล้วต้องมีสตะคอยสับสนฝังสิ่งที่เกิดจับกับจิตด้วยความมีสติสัมปชัญญะโดยธรรมชาติของจิตในเมื่อมีสิ่งรูปรากรกการอยู่เรามีสติดูอยู่ปัญญาย่อมบางเกิดขึ้นเมื่อปัญญาบางเกิดขึ้นแล้ววิชาก็ย่อมบง เ, เกิดขึ้นมาเป็นเงาตามตัว เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเราก็กลายเป็นผู้สามารถสลักปืนซึ่งกิเลสทั้งปวงได้แล้วก็หลุดพ้นถือวิมุตในวิถีทางของการดูจิตถ้าจะว่าโดยสรุปย่อๆแล้วมีเพียงแค่นี้แต่การที่เราจะปฏิบัติได้ถึงขนาดนี้เราก็ต้องใช้ความภาคเพียรพยายาม ความภาพเพียนพยายามที่เราจะพึงทำนั้นหนึ่งต้องมีศีลแล้วก็มีสัจจ์ตั้งใจจะมีเจตนางดเว้นตามศีลนั้น น, นที่เราได้ปฏิญาณได้สมทานมาแล้วด้วยความจริงใจเมื่อเรามีศีลเมื่อไรเมื่อนั้นเราละกิเลสโดยเจตนาแต่ความจริงสิ่งที่เราจะระมิด เศษข้อนั้นนั้นไม่ใช่เรื่องทีเล็ปาณาเจบาฆ่าสัตว์สัตว์ก็เป็นวัตถุหรือเป็นส่วนประกอบที่ให้เราได้ละเมิดสี่งอคินาทานก็คือวัตถุที่เป็นเหตุให้เราได้ละเมิดสี่ตาเมสตมิถาจารก็เป็นวัตถุเป็นเหตุให้เราได้ละเมิดสี่งโมศาวาสก็เป็นคําพูดซึ่งสอเจตนา เป็นเหตุให้เราได้ดับเบิลสตสุราการเดิมน้ำเมาคือน้ำดองของเมาก็เป็นวัตถุที่เป็นเหตุให้เราได้ดับเบิลสตเมื่อเรามีเจตนาอันแน่วแน่แล้วมีสติสัมปชัญญะคอยควบคุมเจตนาของเราให้อยู่ในความเป็นปกติแม้จะเป็นการฝืนใจก็ตามแต่เราตั้งใจแน่วแน่ ว, แน ว, ว่าจะละเว้นโทษนั้นนั้น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 โมสาคือโกโหกกันได้เพราะมีเจตนาเหลวไหลสุราเดิมของน้ำดองของเมาได้เพราะหลงไหลในรถและถือว่าเป็นของดีพิเศษเมื่อเรามีเจตนาแน่วแน่ ว, ว่าจะตัดวัตถุอันเป็นเหตุให้เกิดโทษภาพประการในตอนแรกเราตั้งใจ เป็นการฝึกใจให้มีความคล่องตัวให้มีความชำนาญให้มีเจตนาอันเป็นอัตโนมัติเมื่อเจตนาของเราเป็นอัตโนมัติเราแต่ตั้งใจก็าตามไม่ได้ตั้งใจก็าตามศีลของเราก็มีอยู่เป็นปกติในขั้นต้นจะกลายเป็นศีลปกติกายปกติวาจาเพราะศีลยังไม่เข้าถึงใจ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 ซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเราก็เกิดมีศีลขึ้นในจิตในใจของเราเมือ่อศีลอยู่ในใจของเราโดยพ ล, ล้อมบูลมีความเป็นปกติมีพลังเข้มข้นความคิดที่จะทำบาปทำรมอันเป็นเหตุระเบิดศีล น, นั้นๆย่อมไม่มีเมื่อเราไม่มีเจตนาจะทำบาปทำคมทั่วอันเป็นเหตุระเบิดศีล ความเถินห่างจากความทั่วที่เราเคยทำไว้ในอดีตมันก็ค่อยเจืดเวลานานไปไกลไปห่างไปห่างไปจนรู้สึกว่าลืมความทั่วที่เราเคยทำไ่แล้วลเพราะจิตของเราโดดเดิมในความดีรู้แล้วว่าความดีสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งที่เป็นคุณณธรรมอานวยประโยชน์ให้เรามีความสุขใจ มีความภาคภูมิใจทำให้เรามีปีติในความสุขใจในเมื่อจิตใจของเรามีปีติมีความสุขมีความดูตื่มในคุณธรรมจิตของเรามองเห็นคุณเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่าของคุณธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตอย่างมั่นคงมีหรือที่จิตจะต้องย้อนไปฟุกเข้ากับความชั่วร้ายที่เคยผ่านมาแล้ว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 เงาแห่งุทธะได้ปรากฏขึ้นมาบ้างแล้วเพราะท่านมีสติรู้ตัวตื่นอยู่เป็นเบื้องต้นเมื่อท่านภาคเพียนพยายามทำไปก็ปลอมให้มากมากแต่ทำให้มากมากทำให้คล่องตัวทำจนทำนี่ทำนานจนจิตของท่านกลายเป็นอัตโนมัติในการปฏิบัติธรรมเจตย่อมก้าวข้าไปสู่ความสมุท เมื่อสงบแล้วก็เกิดมีปีติเกิดมีความสุขเกิดมีความเป็นหนึ่งคือเอกขัตตาเมื่อจิตของท่านมีวิตกิกิจานปิติสุขเอกับตตาอยู่จิตสงบอยู่สว่างสวัยอยู่รู้อยู่ตื่นอยู่เห็นอยู่จิตของท่านก็เกิดมีพุทธะบังเกิดขึ้นแล้ว เพราะในขณะนั้นลักษณะรู้ในจิตของท่านปรากฏขึ้นคือรู้อารมณ์ด้วยความมีสติสัมปชัญญะอันเป็นอัตโนมัติและจิตของท่านสงบอยู่ในลักษณะของสมาธิในฌานท่านที่หนึ่งมีความแจ่มใสเบิกบานมีความสว่างสวัย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 เจตของท่านเพิ่มพลังมากขึ้นขนาดนั้นกายของท่านยังจะปรากฏอยู่การหายใจของท่านจะห่างซึ่งเมื่อก่อนท่านอาจจะหายใจนาทีละสิบแปดครั้งเมื่อเจตของท่านอยู่ในลักษณะสมาธิขั้นทานที่หนึ่งท่านจะหายใจนาทีละแปดครั้งบ้าง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 แล้วก็แผ่ลัศมีทลุกายออกปากทำให้รู้สึกเสมือนหนึ่งว่ากายของเรามีความสว่างครอบจอุ่เมื่อเจ็ดของท่านรู้อยู่โดยไม่มีความนึกคิด ใ, นในดๆเกิดขึ้นจิตของท่านละวิตกละวิจารมีแต่ตัวรู้ปรากฏอยู่เฉอ แม้ว่าจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างภายในตายแต่ก็เพียงแต่รู้ทั่วทั้งกายอยู่ความรู้สึกนึกคิดว่าอะไรเป็นอะไรในขณะนั้นไม่มีสมมติว่าเจตของท่านมองเห็นโครงกระดูกจิตก็จะรู้อยู่เฉยๆแล้วเขาจะไม่มีความคิดว่านี่โครงกระดูกเห็นอะไรเขาก็มีแต่เฉยอยู่ ไม่มีความคิดที่จะเกิดขึ้นว่านี่คืออะไรในตอนนี้เจตของท่านกําลังเริ่มเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมความรู้สึกยินดีและยินร้ายหายจางไปยังเหลือน้อยเต็มทีแต่เจตยังมีปีติและมีความสุขปลากรดอยู่แต่เป็นสุขอย่างละเอียดปีติอย่างละเอียดถ้าเย็นเจตของท่านละเอียดยิ่ยงลงไปเท่าไหร่ ลมหายใจก็จะหายขาดไปเมื่อลมหายใจหายขาดไปแล้วตัวของท่านก็หายหมดมีแต่จิตดวงเดียวลอยเด่นอยู่ไม่มีร่างกายไม่มีอวั ย, ยวะมีแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นสงบนิ่งสว่างสวยัยอยู่ที่ไหนไม่รู้เพราะในขณะนั้นจิตไม่มีอะไรที่จะกำหนด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 เขาไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้เขาจะไปรู้จักอายทำไมจริงกว่านั้นเมื่อร่างกายเปลยเปล่าไม่มีสิ่งปกปิดเสื้อผ้านุ่งห่มก็ไม่มีและจิดก็จะรู้เถออยู่ไม่มีปฏิกิริยาอาการใดๆร่างกายที่เปลยเปล่าเกิดเคลื่อนอือ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 เขาก็จะรู้เฉยอยู่เพียงอย่างเดียวเมื่อเขารู้เฉยอยู่เพียงอย่างเดียวแม้แต่โครงกระดูกก็สึกกร่อนหลือหักพังไปแหลกละเอียดละลายไปหายสาบสูญไปในพื้นแผ่นดินไม่มีอะไรเหลือในที่สดเพลินแผ่นดินก็หายไปหมดจิตเข้าไปสู่ความสงบนิ่งว่า ง, ส ว, างสว่างสบายเข้าไปสู่สมถะอีก เธืออยู่ในฐานอีกคือปรากฏการซึ่งนักปฏิบัติทั้งหลายจะต้องผ่านแต่ไม่เสมอไปไม่เป็นไปเหมือนกันหมดทุกขั้นทุกคนแล้วแต่พลังของอุปนิสัยของใครที่จะเป็นไปได้ตามบุญวัาสนาบารมีเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างหายสาบสูญไป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 ความนึกคิดไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าเมื่อจิตว่างเปล่าอยู่ในชั่วขณะหนึ่งถ้าไอ้เจ้าจิตดวงนี้ไม่หลงไหลดอดไปเล่นทานตามฤาษีเข้าจิตก็จะย้อนมารูเห็นพื้นแผ่นดินกระดูกที่แลกละเอียดที่หายไปในพื้นแผ่นดินก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นปกแล้วเกาะกันเป็นก้อน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 เหมือนเหมือน ก, นกันกับลอกหนังสัตว์ออกแป้วยังเหลือเตยแต่เนื้อบองให้อมองปรากฏอยู่เมื่อเนื้อเต็มสมบูรณ์แล้วเนื้อจะค่อยแห้งเปลี่ยมไปเกิดเป็นผิวหนังขึ้นมาโดยสมบูรณ์พร้อมผลเล็บฟันหนังก็ปรากขึ้ึกลับมาเป็นล่างโดยสมบูรณ์อีกอย่างเดิมทีนี้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 เมื่อมันสลายตัวหายสับูนไปหมดแล้วอ้อนี่คือธาตุกรรมฐานในเมื่อเจตมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟโลแจ้งเห็นธศตุหายสงสัยเข้ากับู้ธาตุกรรมฐานในเมื่อโลธาตุกรรมฐานแล้ว เจตจคนค้าหาอัตตาตัวตนไม่มีมองไปไหนก็เห็นแต่ดิดมองไปไหนก็เห็นแต่น้ามองไปไหนก็เห็นแต่ลมมองไปไหนก็เห็นแต่ไฟสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ที่ไหนเล่าตอนคนสุดท้ายเราก็ค้นหาคนหาสัตว์ไม่มีแต่แทาที่จริงตายของเหล่านี้ที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตน ข้อแท้ จ, จริงของเขาก็คือการประชุมของธาตุสี่ที่น้ําลมไฟอาศัยเจ้าปฏิสนธิปิญญาณตัวนี้เข้ามาสิงสถิตอยู่มีข้าวน้ําก้อน ม, มัมมีกรทำเป็นผู้ประถมทุบปลี้ยงให้มีความเจริญเติบโตเป็นตัวเป็นตนตขึ้นมาในมาเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็เกิดอาหางการมั่มังการ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 ร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามโรคภัยของมันมเมื่อจิตปลายแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดไอ้เจ้ากายก็เป็นซากศพไอ้เจ้าจิตวิญญาณตัวนี้ถ้ามีบุญมีกุศลก็ไปเกิดเป็นเทวดาเอินศพแต่ถ้าว่ามีบาปมีกรรมก็ไปเกิดเป็นสัตวน์นรกไปเกิดเป็นสัตว์เตลิดขานซึ่งแล้วแต่ผลกรรมจะหนุนเนื่องให้เป็นไป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 นี่ถ้าเราพิจารณาให้มันถึงขั้นมันแล้วเราสามารถที่จะผ่านทั้งภูมิสมถะทั้งภูมิวิปัสนาท่านสงสัยหรือเปล่าว่าสมถะคืออะไรวิปัสนาคืออะไรสมรถะก็คือความสงบจิตวิปัสนาก็คือความรู้จริงรูแล้วหายสงสัย อย่างเมื่อก่อนนี้ท่านอาจจะสงสัยว่าสมาธิคืออะไรหนาเมื่อท่านสามารถทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิได้ท่านก็รู้ทันทีว่านี่คือสมาธิคำว่ า, ารู้ว่านี่คือสมาธินั่นแหละคือวิปัสนาความเห็นแก่พระรู้จิตอย่าไปเข้าใจว่า วิปัสนาคือการทาจิตให้สง บ, บเกิดสว่างสวัยถ้าไปสำคัญเอาความสว่างของจิตเป็นวิปัสนาวิปัสสนูปะกิเลสจะกินใจท่านเพราะมันมีความเห็นผิดคำว่ารู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้หมายความว่ารู้แจ้งส ว, ว่า ง, างเหมือนดวงเดือนดวงตะวัน ความรู้แจ้งเห็นจริงหมายความว่ารู้แล้วหายสงสัยในสิ่งที่รู้เห็นรู้ว่านี่คือสมาธิความสงบตั้งมั่นของจิตเป็นสมาธิเมื่อเราสามารถรู้ว่านี่คือสมาธินั่นเป็นวิปัสสนานับภาวนาทั้งหลายอย่าไปมุ่งที่จะให้ได้ทานได้ยาน ถ้าเราไปมองที่อยา ก, กดไดโนโนได้นู่นได้นี่เราจะไม่ได้ถ้าท่านจะภาวนาพุโทโธกระท่องพุโทโธท่องเล่นเล่นเหมือนกับเราไม่ต้องการผลตอบแทนแต่ว่าเราท่องไม่หยุดถ้าเราจะค้นคิดพิจารณาอะไรก็คิดมันไม่หยุดอย่าไปข่มจิตหรืออย่าไปบังคับจิตให้มันเกิดความสงมบสมาธิเป็นผลงานซึ่งเกิดจากการปฏิบัติ ขอนงานท่านบีบบังคับเอาไม่ได้นักปฏิบัติที่ประพฤติตนเหมือนคนชิงสุขก่อนทำภาวนาแล้วไปบังคับจิตให้เกิดความหยุดนิ่งด้วยความตั้งใจนึกข่มเอาในเมื่อฝึกขัดคมจิตบ่อยๆเข้ามันเกิดความทานาในการปกในการสกัดความคิดพอนึกจะให้จิตมันนิ่งเมื่อไรเลิกลองไปมันก็นี้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 นิ่งอย่างไม่มีน้ําไม่มีนวนนิ่งซื่อซื่อเ่ ง, งยังไม่มีความหมายเป็นโมหะสมาธิไม่เป็นแนวทางให้เกิดสติปัญญาเมื่อเป็นฉะนั้นท่านควรจะปล่อยภาวนาอยู่ก็ได้แต่เพียงบริกรรมภาวนาอย่างเดียวตั้งใจภาวนาไปท่านจะค้นคิดพิจารณาอะไรก็ตั้งใจคิดพิจารณาอย่างเดียว จิตจะสงบหรือไม่สงบไม่ใช่หน้าที่ของท่านจะไปคิดหน้าที่ของท่านเพียงแต่บริกรรมไม่หยุดพิจารณาไม่หยุดพาวิตาอบรม่านมันมากมากอโหเลกตาทาให้มากๆทํทำให้คล่องตัวทำให้ชานิํำนานจนจิตของเราเป็นอัตโนมัติในการบริกรรมภาวนาและพิจารณา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 เมื่อเป็นเช่นั้นเจ็ตพวงเราก็เกิดความสงบมีสมาธิมีปิติมีความสุขเศรษาปริภาวิโตสมาธิมหัพโลโหติมหานิสังโสสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัลาโหติมหานิสังสาปัญญาปริภาวิตังจิตังส ม, มะเตวะอาสเวะหิวิปุจจะติแทเยทีัำตามะตาา ตามะตันห้าภาวะตันห้าวิภวะตันห้าอา้อไปเด็ดอวิชาภาวะภพและอะไรอีกล่ะคิดเอาเองก่แล้วกันเศนอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมติดเราจ ะ, ะนั้นใครจะไปปฏิเสธว่ามืจิตเป็นสมาธิแล้วปัญญามันจะไม่เกิด